สิเจจิตเป็นกลางเพราะมีปัญญาไม่ใช่เป็นกลางเพราะสมาธิศาสนาพุทธเป็นศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์แท้จริงเลยเป็นศาสตร์ที่ผู้ใดศึกษาแจ่มแจ้งจะพ้นทุกข์และพบความสุขมหาศาลเราอุตสาห์เรียนวิชาการต่างๆทางโลกก็หวังจะหาความสุขนั่นแหละอุตสาหธรรมาหากินอุตส่ามีครอบครัวมีโน่นมีนี่ขึ้นมาแย่งชิงกันแย่งตําแหน่งแย่งอํานาจแย่งผลประโยชน์ลึกๆลงไปก็คืออยากจะมีความสุขนั่นแหละ คิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขอ้อมๆเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขวันไหนเสียชื่อเสียงก็ไม่มีความสุขแล้วต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้แต่ศาสนาพุทธสอนให้เราค้นพบความสุขในตัวเราเองเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความสุขที่ไม่อาศัยอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกข้างนอกจะแปรปวนขนาดไหนนะเราก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละ คนที่เรารักมากๆตายไปเราก็ยังมีความสุขอยู่เกิดอะไรขึ้นมันก็ยังมีความสุขอยู่ได้เป็นศาสตร์ของความสุขที่น่าเรียนเราเรียนวิชาทางโลกนะก็เรียนกันหลายปียังจะเป็นหมอคนหนึ่งก็เรียนวิชาแพทย์หลายปีแต่ก่อนจะไปเอน r a n c e ได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมและชั้นมัธยมอีกรวมเป็น12ปีเป็นอย่างน้อยรวมแล้วเราเรียนหนังสือทีหนึ่งอย่างน้อย 15-18 ปีหวังว่าจะมีความสุข ทำไมทนเรียนไปได้เพราะคนอื่นเขาก็เรียนเวลาปฏิบัติธรรมนะหัดเดือนสองเดือนอยากจบหลักสูตรแล้วใจร้อนไปหน่อยฉะนั้นอย่าใจร้อนเรียนไปครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยส่วนมากท่านเรียนกันสิบหกปีถึงจะจบหลักสูตรเรียนสิบหกปีนี่หลายองค์ประเภทสามสี่พรรามีเหมือนกันแต่ไม่มากพวกเราอย่าใจร้อนเรียนธรรมะค่อยๆเรียนไปยิ่งใจร้อนยิ่งอยากได้ผลเร็วๆยิ่งไม่ได้ เพราะทันทีที่ความอยากเกิดอากุศลเกิดเรียบร้อยแล้วสติไม่มีหรอกฉะนั้นเรียนกรรมฐานอย่าใจร้อนขณะเดียวกันก็ไม่ขี้เกียจไม่ใจร้อนก้าวไปทุกวันสะสมคุณงามความดีบารมีต่างๆไปทุกวันทุกวันเดินไปวันละก้าวสองก้าวก็พอแล้วไม่ต้องรีบจ้ำจ้ำให้ถึงเร็วๆเส้นทางสายนี้แปลกนะยิงวิง่งยิงไม่ทันนะคล้ายๆเงา ยิ่งเราวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วด้วยแต่ถ้าเราหยุดมันหยุดนะพอมันหยุดนี่เราเอามือสัมผัสมันต่อหน้าต่อตานี้เมื่อไรจิตหยุดการปรุงแต่งก็จะสัมผัสนิพานต่อหน้าต่อตานั่นแหละไม่ต้องไปวิ่งหาเลยอยู่ที่หยุดให้ได้นั่นแหละในการเจริญวิปัสสนาให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปเรื่อยเราจะเห็นเลยว่าร่างกายมันก็ทํางานไปเรื่อยๆจิตใจมันก็ทํางานของมันไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยแล้วมันจะหยุดได้อย่างไร มันไม่หยุดทำงานหรอกเพราะว่าขันมีหน้าที่ทำงานพอเราเห็นขันทำงานเห็นกาย <_ m uch> เห็นใจทำงานแล้วเราหยุดการปรุงแต่งของเราเองได้ไหมขันนะหยุดไม่ได้ขันก็ทำหน้าที่ของขันไปยังจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจิตก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งจิตของพระอระหันต์ก็คิดนึกปรุงแต่งแต่เมื่อจิตมันนึกคิดปรุงแต่งแล้วเราอยาไปช่วยมันปรุงแต่งได้ไหมเรารู้แล้วจบลงตรงที่รู้ได้ไหม รู้ด้วยความเป็นกลางได้ไหมเรารู้ด้วยความเป็นกลางความเป็นกลางนี้มีชื่อเพราะเพราะเลยชื่อในเครื่องหมายคำพูดตดตระมัชตาตาเจตสิกหมายถึงจิตมันเป็นกลางรู้แล้วไม่ปรุงเพราะมีปัญญามันไม่ใช่เป็นกลางเพราะสมาธิแต่มันเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนผ่านไปทั้งสิ้นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นมีปัญญาเห็นอย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ความสุขเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะน่าดีใจเท่าไร่เดี๋ยวมันก็หลุดมือไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นจะต้องคร่ำครวญความทุกข์อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ก็ไปบางคนมาถามกลุ้มใจมากอกหักรักสลายนายด่าทำอย่างไรจึงจะหายกลุ้มไม่ต้องทำอะไรมันก็หายกระทั่งความกลุ้มใจมันก็ไม่เที่ยงแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่หายสักทีก็เพราะเราอยากให้มันหายเร็วๆ ถ้าไม่มีความอยากนะเราเห็นความกลุ่มใจผุดขึ้นมาเราก็รู้ไปพอหมดเหตุของมันมันก็ดับไปเองสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุ ด, ดับมันก็ดับไปไม่ต้องทำอะไรใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างเป็นของบังคับไม่ได้ทุกอย่างทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นานนี่คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเอง พอเห็นไตรลักษณ์จริงๆแล้วใจจะหยุดดิ้นใจเข้าถึงความเป็นกลางถามว่าจิตยังคิดนึกปรุงแต่งไหมจิตยังคิดนึกปรุงแต่งร่างกายยังเป็นสุขไหมร่างกายยังกระดุกกระดิกเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเป็นไปตามปกตินั่นเองจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยววิ่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นเอง แต่ใจเรายอมในความเป็นปกติความเป็นธรรมดาของกายของใจไม่ดิ้นแล้วเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกใจมันหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนมันจะเข้าไปสัมผัสกับความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขของความสงบความสงบจากการปรุงแต่งเรียกว่านิพพานสงบอย่างโลกโลกก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นความพอดี